ชี้ทางบรรเทาทุก์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสรรสนีสนทนาสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรอค่ะวันนี้รายการสรสนีสนทนามาพบกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นวันศุกร์ปกติแล้วสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะจัดวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วหยุดพักในวันเสาร์อาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ที่เราไม่ได้จัดรายการเนี่ยนะคะเป็นวันที่ สำคัญของประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศจะพร้อมใจกันเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวันที่เฉลิมพระชนภรรษาคือวันที่5ธันวาคมกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะก็จะมีการน้อมเกล่าวน้อมกระหม่อมกระทําความดีในลักษณะต่างๆเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเป็นพระพรชัยมงคล ในทางพระพุทธศาสนาของเรานะคะการที่เราจะรักษาศีลการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตาถวายกุศลที่เราได้ทำจากการปฏิบัติธรรมให้แก่พระองค์นั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตวเวทีตาคุณอย่างมีคุณค่ามากก็ขอให้ท่านได้ใช้โอกาสนี้นะคะทำในสิ่ง ที่ในรายการก็ได้แนะนํากันอยู่เสมอเสมอเป็นพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะในช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์จะเป็นสองวันที่แตกต่างจากสาวันแรกดิฉันจะเน้นย้ําอยู่เสมอเพื่อที่อยากจะให้ท่านที่ต้องการศึกษาคําของพระพุทธเจ้าและบางทีไปอ่านหนังสือเองก็อาจจะบ่นกันบอกว่ายากจังแต่จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกนะคะอย่าไปกลัวซะ ก, ก่อนเท่านั้นเองความกลัวไปก่อนเนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ยากมากเข้าแต่อย่างไรก็ตามเิชันเองก็ไม่ต่างจากท่านผู้ฟังเท่าไหร่หรอกคะ่ะบางครั้งบางทีเราก็มีความรู้สึกว่ายากเหมือนกันก็โชคดีที่ว่าในวันพุธกับวันพฤหัสบดีเนี่ยท่าอาจารย์คือคริสโตธิพโลนะคะก็ได้มอบให้พระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสิบ ได้นำเอาพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมควรที่จะให้พวกเราได้รับรู้มาอ่านให้ฟังพร้อมทั้งอธิบายขยายความอย่างในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพิจารณาธรรมในภายในบางคนโอ้โหฟังชื่อก็ยากแล้วข้างในก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่ละวมีในภายในอีกต่างหากหรอมีค่ะแล้วเดี๋ยวฟังแล้วดิฉันเข้าใจว่า จะต้องเกิดความประจางอย่างแน่นอนอยู่ในอริยศาสตร์จากพระโอษฐ์ภาคปลายดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่านอริยศาสตร์จากพระโอษฐ์ถึงละเอียดถี่ท่วนตัวเองก็เรียนถามท่านมาร์กนะคะ บ, บอกว่าเอ๊ะภาคปลายกับภาคต้นนี่ต่างกันยังไงท่านมาร์กก็เลยบอกว่าอริยศาสตร์ภาคต้นจะเป็นการที่พระพุทธองค์นั้นตรัสเกี่ยวกับเรื่องของ3มส่วนของอริยศาสตร์คือทุกขสมุทัยนิโรธ แต่พอมาถึงอริยศาสตร์ภาคปลายจะเป็นเรื่องของมรรคมรรคคือวิธีเนี่ยนะคะที่จะทําให้ไม่มีความทุกข์ได้ดังนั้นจึงมีรายละเอียดมากกเลยแบ่งเป็นภาคหนึ่งต่างหาและวันนี้วิธีที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้ที่อยู่ในอริยศาสตร์ภาคปลายเรื่องของการพิจารณาธรรมในภายในก็คือสิ่งที่ท่านจะได้รับรู้รับทราบกันจากพระมรรคชาคาวโรนะคะเอาเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง ชันไปอ่านหนังสือเจอคนที่เขามีประสบการณ์ด้วยตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะแล้วก็รักษาด้วยการที่ศึกษาจึงได้พบว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันสัมพันธ์กันกับระบบการย่อยอาหารของเราระบบการขับถ่ายของเราและกแนะนํามาว่าการดื่มน้ํามีประโยชน์มากกับสุขภาพลองไปอนุมาน ว่าจะเพิ่มจะลดตามนี้แล้วกันนะคะว่าถ้าน้ำหนัก60กิโลเนี่ยเขาให้ดื่มน้ำวันละ10แก้วดังนั้นถ้าน้อยกว่า6กิโล60กิโลก็อาจจะดื่มน้อยลงมานิดหนึ่งได้โดยตื่นเช้าขึ้นมาให้ดื่ม 2-3 แก้วบอกจะเป็นการช่วยนาเอาของเสียออกมาการดื่มน้ำมีเวลาดื่มเหมือนกันว่าถ้าหลังอาหารเนี่ยอย่าดื่มมากไปไม่ควรดื่มเกินครึ่งแก้วเพราะว่าจะทาให้การย่อยไม่สมบูรณ์นะคะ และถ้าก่อนรับประทานอาหารสักสินาทีอย่างเงี้ยดื่มน้ำก่อนได้แค่ดื่มน้ำเรายัางต้องเรียนรู้วิธีเลยแล้วการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะโอ้โหต้องเผชิญหน้าความทุกข์เยอะแยะทำไมเราจะไม่เรียนรู้พระพุทธองค์ได้บอกสอนเอาไว้และรายการสัมสีสนทนากำลังจะนำท่านไปสู่ในช่วงของถามโลกตอบธรรมกับพระมาชาควโร ค, ค่ะสรรหาเรื่องราวดีๆ ที้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนาสวัสดีครับผมพิษณุนเองกลัดวันนี้ผมมาแนะนำทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับ แกฝากสากลอตสินพิเศษชมหมายอายุห้ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิล์ลุนลุนเบนถึง10บคันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบนเดือนะนะครับ2เดือนสุดท้ายลุ้นเดือนละ3าคันรวด<อ>แถมลุนรางวัลที่1นึร้อยล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุนรุนเบ น, นก่อนถึงสามสิบนสายนี้นะโทรเลยหนึ่นึห การท่านฟังค่ะและตอนนี้พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับพระมาร์คในช่วงถามโลกตอบธรรมค่ะนวัสการค่ะท่านค่ ะ, ะเาจริญพร เ, เมื่อตอนต้นรายการได้คุยกับโยมสังฆนิว่าอยากจะอ่านพสูตรเรื่องของการพิพจารณาธรรมในภายในแต่ว่า เ, เพิ่งทราบมาว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพิเศษของ ชนชาวไทยก็เลยคิดว่าจะขอเลื่อนการอ่านประสูนรนี้ออกไปเป็นอาทิตย์หน้าแต่ว่าในวันนี้เนี่ยคิดว่าจะอ่านประสูตรแล้วก็ใช้ช่วงเวลาสักสิบห้าทีที่เป็นการอ่รนนานประสูตรเนี้ยเป็นการทั้งอ่านประสูนรแล้วก็นำการประพฤติปฏิบัติคือการนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยคือทำได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกัน <ขะ S 1> เลยเพื่อที่จะให้ บรรลุวัตถุประสงค์กับคนที่กาลังอยากจะถวายพระพรชัยมงคลให้กับพระเจ้าอยู่หัวใช่เพราะนั้นเราทำกันตั้งแต่วันนี้เลยใช่ในตอนสุดท้า ย, ยท่านอาจจะต้องช่วยนำแผ่เมตตาสอนให้แผ่เมตตาด้วยมั้งคะนะคะงั้นนิมนต์ท่านเลยค่ะเพืเอ่อไม่ให้เสียเวลาได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหม่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมก็อามาก็จะอ่านพระสูตรเกี่ยวกับ อาณาปา น, นสตินั่นคือการที่พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเด็ดการนั่งสมาธินี้นั่นเองแสาำคนที่เคยทันมาแล้วก็มาเริ่มกันพร้อมๆกันไปได้เลยด้วยกันใครที่นั่งอยู่อิอริบทใดก็ทําได้จะนั่งคู่ขาเขานั่งขัดสมาด์นั่งกับโต๊ะนั่งกับเก้าอี้หรือว่านอนอยู่ก็ยังได้หรือว่าเดินฟังอยู่ก็มีสติ รอบครอบนี้จะอ่านให้ฟังว่าในการทำสมาธิเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างไรบ้างนี้เราก็มาเริ่มทำสมาธิกันไปพร้อมๆกันพระพู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานต์เกี่ยวกับอาณาปณนสติว่า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 มีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น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 ทำกายยัศังขานให้รำ ง, งับอยู่หายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้า รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกทาจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้า ทำจิตตสังขารให้รางับอยู่หายใจออกนี่เรียกว่าอาณาปณาสติแ้ก็รู้ว่าพระภูมิพระพักเจ้าสอนเรื่องการทําสมาธิไว้ไว่าอย่างไรจากนี้ก็จะอ ระหว่างที่เราเจริญอาณาปนานสตินี้ไปก็จะอ่านอนิสง์ของการเจริญอาณาปนานสติซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ค่อนข้างมากมายท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปนานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอ น, นิสงอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี ภิกษทั้งหลายเมื่อเราเองยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบาก และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นโดยอุปท า, านเพิกสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าเพิกสุกปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเรา เพ่งหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้เราใช้อาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นเพิ่งทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดี หลายอาณาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอยัางอากุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตราทานไป ให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะได้เพิกสึทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตราธานไปให้รำงับไปได้ โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรำงับเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมย่งอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะฉันนั้นเหมือนกันพิกษุขทั้งหลายพิกษุเหล่าใดเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอาณาปานสติ ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวัตทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลา ย, เ, ลายเมื่อภิกษุจเรจรอานาปานาสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือเดียวก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินหานจาชาน ตามตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาะของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้เจริญกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่าแล้วก็ สมาธิเจริญอานาปานาสติมาได้สมควรแก่เวลาค่ะนันก็เป็นพิเศษมากนะคะสำหรับท่านที่อยากจะถวายสิ่งที่ดีที่สุดเป็นพระรากกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาในปีนี้แ2ดสิบสองพรรษากับรายการของเราก็เลย น้อมนำเอาวิธีนะคะของพระพุทธองค์มาให้ท่านฟังได้รับทราบกันกับการที่จะเจริญอาณาปานาสติอย่างถูกต้องนี่เป็นคำพระพุทธเจ้าเลยนะคะที่ท่านมาร์คชาคาโรอ่านให้ฟังทำแบบนี้นี่ได้อ่านนิสงเมื่อสักครู่นี้โนดโนตเอาไว้ก็มีอรหัตผลในปัจจุบันแต่ถ้ายังมีอุปทานอยู่ก็จะเป็นระดับรองลงมาใช่คะเป็นนาคามีแล้วก็ ยังเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ใช้มากที่สุดด้วยใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนอย่างอื่นก็คือจิตจะรำงับประณีตเย็นเป็นกุศลวิหารอากุศลอันตรทานก็เป็นของรำงับเป็นของเย็นแล้วก็เป็นสุขาวิหารทําให้อากุศลธรรมนั้นดับไปได้ค่ะ <c oughs> ได้ทั้งตัวเองด้วยและถ้าจะให้กับผู้ใดผู้หนึ่งถือว่าเป็นการให้สิ่งล้ําค่าคเคยกลับเรียนถามครูบาอาจารย์ก็บอกว่า เนี่ยถ้าจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยยิ่งถ้าแนะนำให้ท่านทำและท่านทำได้จนกระทั่งหลุดพ้นนี่บุญคุณที่ต้องทดแทนมหมดไปเลยใช่ <c oughs> แลการให้ทำน่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดค่ะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับท่านฟังอีกสักนิดไหมคะและที่บอกว่าแผ่เมตตาเนี่ยเคยฟังจากท่านอาจารย์บอกว่าเวลาจะแผ่เมตตาเนี่ยให้ทาสมาธิก่อนแล้วได้ผลมากกว่าค่ะ ในการที่จะแผ่เมตตาเนี่ยเม่เราทำสมาธิมาได้สมควรแล้วก็จะอ่านพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดถึงการแผ่เมตตาไว้ <c oughs> พระองค์ได้ตรัสว่าพิสุททั้งหลาย เมื่อไถละนิวรณ์ห้าประการได้แล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทเกิดปิติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมเป็นสมาธิเท่นั้น ด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามและทิศที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ และเบื้องขวาด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวงไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดแล้วแเลอยุภุสทั้งหลายเปรียบเหมือนคนเป่าสัง ผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ดีให้ได้ยินได้ในทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันดใดคือทั้งหลายในเมตตาเจโตวิมุตติเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน ก็ได้รู้วิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนการแผ่เมตตาให้เป็นสุขทุกทิศทุกทางอย่างไม่มีประมาณหลังจากที่เราทําสมาธิกันแล้วค่ะเรียกว่าได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ขอให้นําเอาไปใช้กันนะคะนี่คือคําสอนของพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์ที่พระมารชาคาวโรได้นำเอามาฝากไว้ค่ะต้องนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าเันอย่างยิ่งนะคะเจริญพร ตอบ ท, ท่านฟังที่ครกคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงพุทธประวัติจากพระโอษในเรื่องของการบำเพ็ญบา ร, รมีในอดีตชาติในครั้งที่มีพระชาติเป็นพระเจ้ามคพะเทวราชตรัสเล่ากัพระอนนท์ค่ะว่าดึกดำบันที่เมืองมิถิลานี้มีพระราชานามว่าพระเจ้ามคพะเทวะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมประพฤติราชธรรมในปรามและขหบดีทั้งในเมืองหลวงและชนบท ย่อมเข้าอยู่อุโบโสถในวันที่14หรือ15และวันที่8แห่งปักพระเจ้ามค้าเทวะเรียกช่างกลระบกมาแล้วสั่งว่าเพื่อนท่านเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศรีรษะเราเมื่อใดกระจงบอกเรานั้นอานนนล่วงมนับด้วยปีเป็นอันมากช่างกลระบกนั้นได้เห็นผมงอกแล้วกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระเจ้ามค้าเทวะรับสั่งให้ถอนหงอกด้วยแหนบแล้ววางใส่ฝ่าพระหัตให้ทอดพระเนตร ท้อพระเนตรเห็นแล้วพระราชทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างการระบบนั้นรับสั่งให้หาพระราช บ, บุตรองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วตรัสว่าแน่พ่อกูมานเทวทูตปรากฏแกเราแล้วหงอกเกิดบนศีรษะแล้วกามันเป็นวิสัยของมนุษย์เราได้บริโภคเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยอันควรเพื่อการสแสวงกามันเป็นทิพย์สื่อไปมาเถิดพ่อกุมารเจ้าจงครองตาแหน่งพระราชานี้ส่วนเราจะปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปแล้วก็ได้ตรัสแก่พระราชบุตรให้ประพฤติตามกัลยาณวัตนนี้เป็นทอดทอดไปอย่าให้ขาดตอนโดยใช้คำว่าขอจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย นั้นพระเจ้ามาคะเทวะประธานบ้านสวยแกช่างกลระบกมอบหมายรัชสมบัติให้แก่พระราชบุตรองคใหญ่เป็นอย่างดีแล้วก็ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดบวชแล้วจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนในป่ามาคะเทวมพวันนี้เองเธอผู้บวชแล้วนั้นแผ่ความรู้สึกดิจิตอันประกอบด้วยเมตตาไปยังทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่โดยอาการอย่างเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เป็นอันว่เธอมีจิตประกอบด้วยเมตตายอย่างไพบุญเยี่ยมยอดหาที่เปรียบไม่ได้ปราศจากเวรละพยาบาทแผลทั่วไปทั่วโลกทั้งปวงเพราะแผ่ทั่วไปทั้งในเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาโดยรอบเธอนั้นมีจิตประกอบด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาแผลไปทั่วโลกทั้งปวงเพราะแผลทั่วไปทั้งในเบื้องบ น, บนเบื้องล่างและเบื้องขวาโดยรอบเธอบวชแล้วประพฤติปรมจันท ร, ร์อยู่ในป่ามัคเทวพวันนี้เอง ครั้นทำพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ให้เจริญแล้วก็เข้าถึงพรหมโลกภายหลังการตายเพราะการทำลายแห่งกายอานอนท์เราแลได้เป็นพระเจ้ามคะเทวะในสมัยนั้นอนุชนที่เกิดภายหลังได้ไปพึ่งตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แต่ว่ากัลยาณวัตรนั้นจะเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับสนิทความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้น อ น, อนนก็แต่ว่ากรัลรยาณวัตรที่เราบัญญัติไว้แล้วในการนี้แหลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับสนิทความดางับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานได้โดยท่าเดียวกรัลรยาณวัตรนั้นคืออริยมครคมีองค์แปดได้แก่ความเห็นชอบดำริชอบพูดชอบการงานชอบดารงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบดังนี้ นี่ก็เป็นการบำเพ็ญบา ร, รมีในอดีตชาติอีกพระชาติหนึ่งนะคะคือเป็นพระเจ้ามคาะเทวะค่ะท่านผู้ฟังคะเราคงจะต้องให้มาติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งในสัปตา์หน้าวันจันทร์แล้วนะคะเพราะว่าเราหยุดเสาอาทิตย์อย่างไรก็ตามท่านที่อยากได้สคสอคือร้อแ8ตถาคตภาสิทธิ์ที่จะแจกให้พร้อมกับหนังสือพุทธวัรฉบับก้าย่างอย่างพุทธะท่านติดต่อเข้ามานะคะที่สถานีวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่า02ว 02-269-006 และ 02-269-0060 เรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะกับรายการสรนนีส น, นานและดิฉันสัรนีนาคพง์สวัสดีคะ่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันนีสนทนาเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ สันสนีนาพงที่นี่สทร fm 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน